ดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาดิฉันได้มีโอกาสไปทำบุญร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นศาลาหลังใหม่ณวัดป่ามณีการจังหวัดนนทบุรีมาเนื่องมาจากศาลาปฏิบัติธรรมหลังเดิมนั้นคับแคบไม่เพียงพอกับจานวนญาติโยมที่เข้ามาปฏิบัติธรรม และเพื่อรองรับโครงการบวชสา ม, มเณรภาคฤดูร้อนที่มีพ่อแม่ให้ความสนใจส่งบุตรหลานเข้ามาอบรมจำนวนมากขึ้นทุกปีสำหรับโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับเยาวชนหรือที่เรียกว่าโครงการหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสนี้เป็นโครงการที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งเพราะเกิดจากความเมตตาของหลวงพ่อสาครธรรมวุฒโธ ประธานสงฆ์ของวัดป่ามณีการแห่งนี้ที่ท่านได้พูดเสมอว่าเป็นพ่วงเด็กๆ เ, เหล่านี้มากอยากจะฝึกอบรมให้มากๆเท่าที่จะทำได้เพื่ออนาคตของชาติจะได้มีผู้นำที่ดีมีศีลนำต่อไปซึ่งตอนนี้ท่านกำลังทำโครงการหนึ่งบกหนึ่งเป็นสคือชวนเด็กเข้าวัดได้คนหนึ่งก็จะได้ทั้งพ่อแม่พี่ ป้านะา้าอาย่ายายตามมาวัดด้วยอีกมากมายค่ะสำหรับวันนี้วิฉันจึงของนาเรื่องราวของครอบครัวตัวอย่างครอบครัวหนึ่งที่หลวงพ่อสาคอนท่านได้มอบหมายให้เขียนบทความที่มีชื่อว่าชวนลูก ป, ปฏิบัติธรรมนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจและน่าติดตามมากทีเดียวค่ะ ตรามาติดตามรับฟังกันเลยนะคะเนื่องในโอกาสที่พระอาจารย์สาครมีดำริจะสร้างศาลาอนเนกประสงค์ให้เยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยเรียนได้เข้ามาศึกษาแนวทางชีวิตที่ถูกต้องดีงามจากพระธรรมคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้เยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติไทยเราเป็นบุคลากรที่มีความรู้คู่คุณธรรมซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในปัจจุบันพระอาจารย์สาครมีความเป็นห่วงเยาวชนวัยเด็กที่กำลังรับข้อมูลจากทางโลกแสงสีเสียงจากผู้ใหญ่ที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมบางคน ที่ต้องการเพียงเงินทองสร้างความร่ำรวยให้ตนเองโดยไม่คำนึงถึงว่ากำลังมอมเมาเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังที่สำคัญของชาติต่อไปในอนาคตเหล่านี้และพวกเราก็คงไม่อยากจะฝากอนาคตของประเทศไว้กับผู้ที่จะต้องไปเป็นผู้นำของชาติในอนาคตที่ขาดคุณธรรมและศีลธรรมที่ดี โครงการหนึ่งบกหนึ่งเท่ากับ3จึงได้เกิดขึ้นมาเพื่อสร้างให้เยาวชนวัยเด็กเล็กเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญของชาติที่มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมประจำใจโดยให้พวกเขาเหล่านั้นได้เข้ามารับการอบรมศิลธรรมและคุณธรรมรวมทั้งได้ปฏิบัติธรรมจากพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและรุ่นพี่พ ที่จะอบรมสั่งสอนให้พวกเขาเหล่านั้นโดยเป็นตัวอย่างที่ดีทั้งในด้านการปฏิบัติธรรมและการเรียนซึ่งพวกเขาเหล่านั้นก็จะนำครอบครัวที่เป็นที่รักของพวกเขาอีกหลายคนเข้ามาสู่ทางที่ถูกต้องดีงามทางด้านศินลธรรมของศาสนาพุทธของเราพระอาจารย์สาครท่านได้เห็นว่า ครอบครัวของผมน่าจะเป็นตัวอย่างของครอบครัวที่ใช้ชีวิตอย่างคนสังคมเมืองหลวงที่มีความสุขเนื่องจากพวกเราได้ปฏิบัติธรรมจนได้ผลหน้าพอใจระดับหนึ่งจนทําให้การใช้ชีวิตของลูกๆในสังคมเมืองซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งมองมเมาต่างๆไม่สามารถมาระแคะระคายลูกๆของผมได้พวกเรา จึงได้ถูกมอบหมายให้เป็นผู้เขียนบทความนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้คนที่กำลังสับสนในการใช้ชีวิตการเป็นอยู่ในสังคมปัจจุบันและมองหาทางออกให้กับตัวเองและครอบครัวในทางที่ถูกที่ควรไม่สับสนกับสภาพสังคมในปัจจุบันแต่สามารถนำพาครอบครัวและดำเนินชีวิตได้ตามพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเรา ได้อย่างพอดีและพอเพียงในสังคมปัจจุบันรวมทั้งยังได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างดีอีกด้วยตัวผมเองหวังว่าผู้อ่านคงจะได้รับประโยชน์บ้างจากตัวอย่างการดำเนินชีวิตของครอบครัวของผมเองเพื่อนำไปปรับใช้ในการสอนลูก ให้สามารถดำเนินชีวิตของพวกเขาในสังคมปัจจุบันได้อย่างราบรื่นไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของโลกแสงสีเสียงและอายยมุกต่างๆรวมถึงวิธีการชวนลูกๆเข้าปฏิบัติธรรมเพื่อที่ผู้อ่านได้นำไปพิจารณาว่าสมควรนำส่วนใดไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้บ้างโดยผมจะขอนำประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ในชีวิตของครอบครัวของผมเองโดยจะใช้วิธีเล่าเรื่องการสั่งสอนลูกๆตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ก่อนพวกเขาจะเกิดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและผลที่ได้รับจากลูกๆที่นำความสุขมาให้ผมและภรรยามากแค่ไหนอย่างไรดังต่อไปนี้ในบทความต่อไปนี้ จะขอเล่าย้อนไปในตอนก่อนเริ่มศึกษาพระธรรมและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ผมมีความตั้งใจศึกษาและปฏิบัติธรรม mm hmm. เผื่อบางที mm hmm. ผู้อ่านจะได้เข้าใจถึงวิธีการที่ผมได้รวบรวมคัดเลือกเฟ้นหาแนวทางวิธีการหากุศโลบายต่างๆมาสอนให้ลูกๆและสามารถจะมองนึกเห็นภาพการสอนลูกๆของผม ตั้งแต่เริ่มต้นรักษาศีลมาเป็นลำดับจนในที่สุดก็ได้ทำให้พวกเขาสามารถปฏิบัติธรรมได้ผลดีและกลายเป็นวัคซีนที่คุ้มครองป้องกันคุณภาพชีวิตของพวกเขาในการใช้ชีวิตในสังคมที่โรงเรียนและยังนำไปใช้ในชีวิตการเป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งทำให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมอันไม่ค่อยน่ารื่นรมได้เป็นอย่างดี ในช่วงชีวิตวัยเด็กผมเป็นคนที่ทำบาปขึ้นคือยิงนกแม่นมากได้ยิงและฆ่านกตายมากนับร้อยตัวแถมยังตกปลาอีกมากด้วยก็ตามประสาเด็กผู้ชายที่มีความคึกขนองซุกซนด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการและด้วยผลของบาปกรรมที่ได้ทำว้นี้เองจึงเป็นเหตุทำให้ผมเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างรุนแรง ก็เพราะผลของบาปจากเหตุที่ได้ฆ่าและเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตของผู้อื่นไว้นั่นเองผลของบาปเริ่มให้ผลตั้งแต่ปีพศ2อ3 0ทํารทำให้ผมมีสุขภาพไม่ค่อยดีคือป่วยเป็นโรคไตาวายเรื้อรังเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมเริ่มศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้าในตอนเริ่มต้น ตั้งแต่พศ2531ผมได้เจ็บป่วยอย่างรุนแรงด้วยโรคไตาวายเกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่เดิมก่อนหน้านี้ผมไม่เคยใส่ใจและไม่รู้จักการปฏิบัติธรรมเลยหรือแม้เพียงแต่ที่จะคิดใส่บาตด้วยซ้ำไปศีลห้าก็ยังไม่รู้จักเพราะเมื่อก่อนไม่ใช่ชาวพุทธ การเจ็บป่วยด้วยโรคไตาวายถือเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดจะเรียกว่าเป็นทุกขราบก็คงไม่ผิดเพราะด้วยการเจ็บป่วยในครั้งนั้นทำให้ผมได้หันหน้าเข้าวัดและได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ในตอนเช้าวันขึ้นปีใหม่พศ .2531 ซึ่งเป็นเวลาที่ผู้คนในสังคมโลกเขามีความสุขกัน แต่ชีวิตของผมกลับเป็นตรงกันข้ามในตอนเช้าวันขึ้นปีใหม่นั่นเองประมาณเจ็ดโมงเชา้ภาภรรยาของผมและเพื่อนบ้านได้พยุงพาผมไปส่งโรงพยาบาลแถวถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งเป็นผลของอาการไตาวายด้วยอาการน้ำท่วมปอดอ่อนเพลียไม่มีแรงทานข้าวไม่ได้นอนราบก็ยังไม่ได้เลย กลางคืนต้องนั่งหลับเอาและสั่งน้ำมูกออกมาเป็นเลือดเป็นริมริมหมอที่โรงพยาบาล น, นั้นได้รับตัวเข้าไปให้ออกซิเจนได้สักสองชั่วโมงก็ได้บอกกับภรรยาของผมว่าโรคนี้ที่นี่รักษาไม่ได้ขอให้พาไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นถ้าไม่อย่างนั้นผู้ป่วยก็คงจะตายในวันสองวันนี้แน่ แต่อาจาเป็นด้วยบุญเก่าของผมคงจะยังพอมีเหลืออยู่บ้างจึงได้รับความช่วยเหลือจากคุณหมอสมเกียรติมาช่วยรับตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสิริราชในคืนวันนั้นเองขณะที่พักรักษาตัวอยู่ที่สิริราชติด72ปีก็มีเพื่อนมาเยี่ยมบ้างและก็มีของติดมือมาเยี่ยมตามประเพณีวันหนึ่ง ขณะที่นอนป่วยอยู่ที่สิริราชมีรุ่นพี่มาเยี่ยมพร้อมนำหนังสือธรรมะที่แจกตามงานศพติดมือมาให้ด้วยผมคงจะไม่มีโอกาสรอดชีวิตในการป่วยครั้งนี้แล้วในช่วงที่ไม่มีใครมาเยี่ยมจึงได้นอนอ่านหนังสือเล่มนั้นหลังจากได้อ่านหนังสือเล่มนั้นแล้วสิ่งแรกที่ปรากฏในความคิดก็คือ ได้เกิดความกลัตกนรกเป็นที่สุดเกิดอาการกลัวการตายมากเพราะรู้ตัวว่าผลของบาปกรรมที่ได้สร้างไว้จะต้องให้ผลนำไปนรกแน่ๆตอนนี้แหละที่หนังจีนมักจะพูดในหนังเสมอๆคือข้อความไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาผมกลัวตายและกลัวการตกนรกมาก จึงได้แต่ตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอโอกาสให้มีชีวิตยอยู่ต่อไปจนกว่าจะปฏิบัติธรรมได้สำเร็จให้ได้ตามที่ได้อ่านจากหนังสือเล่มนั้นเพราะมีข้อความในหนังสือตอนหนึ่งกล่าวว่าหากผู้ใดก็ตามแม้เมื่อปฏิบัติธรรมได้สำเร็จเพียงขั้นอริยะชั้นต้นแล้วก็จะสามารถปิดประตูอบายได้อย่างแน่นอนคือไม่ตกนรกอีก ด้วยความที่ผมมีความกลัวตกนรกมากในขณะนั้นอยู่แล้วอยากจะหนีนรกให้ได้จึงตั้งใจอย่างที่สุดว่าชีวิตที่เหลืออยู่นี้จะต้องปฏิบัติตามที่หนังสือเล่มนั้นสอนให้ได้ก่อนจะตายจะได้ไม่ต้องตกนรกและได้บอกกับตัวเองว่าหากถ้ามีชีวิตรอดจากโรงพยาบาลได้ก็เปรียบเสมือนรถไฟเที่ยวสุดท้ายแล้ว จะไม่มีโอกาสครั้งต่อไปอีกแล้วละเพราะการป่วยครั้งต่อไปจะต้องตายและตกนรกอย่างแน่นอนต้องไปใช้ผลของบาปที่ตนได้ทำไว้เพราะยังปิดประตูอบายไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กับเขาอีกเมื่อไหร่และจะได้พบพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อีกหรือไม่เพียงแค่คิด ก็เห็นนรกรออยู่แล้วแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอาจจะให้โอกาสผมจึงยังไม่ต้องตายหลังจากพักรักษาตัวอยู่เกือบครึ่งเดือนก็มีโอกาสได้กลับบ้านชีวิตที่เดิมเคยมีแต่ความสุขต้องทนทุกทรมานทุกวันต้องคอยเปลี่ยนน้ำยาล้างท้องประมาณสองลิตรวันละสี่ครั้ง ตอนเด็กๆ ก, ก็ได้เคยใช้เข็มฉีดยาฉีดน้ำเข้าท้องตั๊ ก, กแตนนับ10ตัวจนท้องมันบวมเป่งไปด้วยน้ำท้องแตกตายไปมากมายจากอาชีพเดิมที่เป็นสจวร์และเพิ่งจะสอบเป็นหัวหน้าได้ก็กลับต้องลงมาทำงานภาคพื้นดินที่สำนักงานใหญ่เงินเดือนเหลือ น, นิดเดียวแต่ก็ยังพออยู่ได้ในตอนนั้นยังไม่มีลูก แต่นับว่าเป็นการโชคดีที่ผมได้นำเรื่องนรกนั้นมาเป็นสิ่งที่ทำให้ใจได้มีความกลัวและได้นำมาคิดอยู่ในใจไว้เสมอจึงทำให้ตัวเองมีความเพียรอดทนในการตั้งใจศึกษาธรรมะและพยายามเล่งปฏิบัติธรรมให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตัวผมเองยังมีลมหายใจอยู่จะได้แค่ไหนหรือไม่ได้ก็ไม่รู้ แต่จะต้องพยายามอย่างยิ่งสุดชีวิตและตั้งใจทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อที่จะหนีจากนรกให้จงได้สักวันหนึ่งในชาตินี้แหละ<ม>ประมาณเดือนเมษายน2532ประมาณหนึ่งเดือนก่อนที่จะได้เปลี่ยนใจเพื่อนคนหนึ่งชื่อป้อมแด้มาเยี่ยมที่บ้าน ได้แนะนําและชวนให้รับศีลหและอธิบายถึงอนิสง์ของศีลหว่ามีอนิสง์มากผู้รับศีลจะได้พบกับสิ่งดีๆในชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีได้และได้ท้ายผมรับศีลหว่าถ้าชีวิตของผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นภายใน6เดือน จะมานอนให้เหยียบสามทีถึงบ้านเลยแต่ถ้าดีขึ้นแล้วจะต้องให้ยืมบ้านผมเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม7วันและตัวผมจะต้องเข้าปฏิบัติด้วยผมจึงได้รับคำท้าแล้วรับสินห้าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาโดยคิดว่าถ้าได้รับสินห้าแล้วได้เปลี่ยนใจก็คงจะดีมากเลย เพราะเท่าที่รู้มาในตอนนั้นว่าได้เปลี่ยนใตแล้วจะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นซึ่งในระหว่างนั้นก็ได้พยายามติดต่อสอบถามเรื่องการเปลี่ยนใตาจากโรงพยาบาลเอกชนและจากเพื่อนเพื่อนพี่ พ, พี่บางคนที่มีญาติที่เปลี่ยนใตเรื่อยมาอยู่มาวันหนึ่งได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนคนหนึ่งได้แนะนำว่าระหว่างรอการเปลี่ยนไต ให้ไปลองกินดีงูเห่าสองตัวที่สวนลุมพินีด้านถนนหลังสวนแล้วอาจจะหายจากโรคไตก็ได้ราคาตัวรับประมาณ400บาทเมื่อมีโอกาสที่ให้เลือกทำผมจึงไม่รีรอรีบขับรถออกจากบ้านในวันรุ่งขึ้นโดยทันทีมุ่งตรงไปที่สวนลุมตอนไปถึงก็นั่งที่ร้านกาแฟใกล้ สั่งโอเรงมานั่งกินดูเชิงอยู่แถวนั้นคอยดูคนอื่นเขากินก่อนเขากินกันอย่างไรแล้วตัวเองจึงจะเข้าไปกินบ้างได้เห็นว่าคนขายได้จับหัวงูเห่ามัดคองูด้วยเชือกปอพลาสติกและผูกงูไว้กับรั้วเหล็กตัดของสวนลุมนั่นเองงูมันก็ดิ้นสุดแรงมันสะบัดตัวเอี้ยวตัว หลีกคมมีดคัตเตอร์ของคนขายที่จ้งกริดตรงท้องค่อนมาทางปลายหางแต่ก็ไม่พ้นในที่สุดท้องของมันก็ถูกกรีดยาวประมาณ5นิ้วขณะนั้นมันก็ยังไม่ตายสนิทดีคนขายได้ใช้นิ้วลวงเอาดีของมันออกมาและบีบใส่ถ้วยตะไลเล็กๆยื่นให้ผู้ซื้อคนนั้นกินพร้อมกับเหล้าหนึ่งเป็ก เมื่อผมได้เห็นพฤติกรรมการทารุณพอรมานณในกาตสัตว์ทั้งเป็นเพื่อกินดีจากมันมาบำรุงร่างกายของคอเล่าแถวนั้นแล้วตัวผมเองก็ฉูกคิดขึ้นได้ถึงศีลห้าที่ตัวเองได้สมาทานไว้จึงได้บอกกับตัวเองว่าหากถ้าเราจะตายเพราะไม่ได้กินดีงูเห่าสองตัวนี้ก็ให้มันตายไปเถอะแต่เรา จะไม่ยอมสั่งให้ข้า ง, งูเห่าสองตัวมากินเป็นอันขาดมันผิดศีลที่เรารักษาไวย้ยอมรับว่าในตอนนั้นใจของผมรู้สึกสิ้นหวังและหมดโอกาสที่จะหายจากโรคไตเพราะตอนนั้นคิดว่ากินดีงูแล้วจะต้องหายจึงได้จ่ายค่าโอเลี้ยงขับรถกลับบ้านแต่ในใจนั้น มันรู้สึกดีอย่างไรบอกไม่ถูกมันรู้สึกขนลุกขนชันหนาวเย็นรู้สึกอิ่มใจจากการที่ตนเองรักษาศีลห้าไม่ได้แม้ในใจวูบหนึ่งก็คิดเหมือนกับว่าเราเอาชีวิตเข้าแลกเลยนะคงต้องตายแน่หมดหวังแล้ว วันหนึ่งประมาณหนึ่งอาทิตย์ต่อมากลางเดือนพฤษภาคม2532ผมได้ฝันว่าไปยืนอยู่ที่หน้าห้องพักครูที่เรือนไม้ชั้นสองของโรงเรียนสมัยตอนอยู่มัธยมยืนหันหลังให้ห้องพักครูในฝันนั้นบรรยากาศทึมๆสรัวๆมืดคล้ายฝนจะตกสายตา ม, มองทอดไกลไปตลอดสองท้างของฝาเรือนไม้ เห็นมีเตียงเหล็กแบบพับเก็บได้และมีคนป่วยนอนอยู่บนเตียงเรียงกันยาวเฟ้ยไปทั้งสองข้างเต็มทุกเตียงสักครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงคนตะโกนเรียกเอ้าวเธอหนะเข้ามาได้แล้วถึงตาของเธอแล้วผมจึงได้เดินเข้าไปในห้องนั้นไดะเห็นเก้าอี้หมอทําฟันตัวหนึ่งแต่ก็รู้สึกแปลกใจว่าทาไมมีหมอตั้งสี่ถึงห้าคน เท่าที่เห็นมีทั้งผู้หญิงผู้ชายยืนใส่ชุดสีเขียวใส่หมวกปิดปากด้วยแมสและใส่ถุงมือยางสีขาวในฝันนั้นมีความรู้สึกว่าเหมือนกับอยู่ในห้องผ่าตัดแบบหนังฝรัง่งและตัวเองก็ได้เดินเข้าไปและนั่งลงให้พวกหมอได้ทำการผ่าตัดจนกระทั่งสะดุ้งตื่นขึ้นมา เมื่อตื่นนอนก็รีบบอกกับภรรยาอย่างให้ความหวังตัวเองเลยพูดอย่างมั่นใจว่าตนเองกำลังจะได้เปลี่ยนใตแล้วเพราะเมื่อคืนได้ฝันว่าไปห้องผ่าตัดมาซึ่งเหตุการณ์ในฝันนั้นก็ชัดเจนเหมือนจริงมากและฝันนั้นก็เป็นความจริงตามนั้นการผ่าตัดเปลี่ยนใตได้เกิดขึ้นหลังจากฝันได้เพียงหนึ่งสัปดาห์ เมื่อได้รับโทรศัพท์เรียกให้เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนไตที่โรงพยาบาลศิริราชและผมก็มีสุขภาพแข็งแรงดีอย่างที่ทุกคนเห็นมาก็ได้เกือบ18ปีแล้วเป็นครั้งแรกที่ผมได้รู้ถึงอานิส ง, งส์ของศีลห้าว่ามีอำนาจมีคุณยิ่งใหญ่มากสามารถเปลี่ยนชีวิตของผมกลับจากสีดำเป็นขาวได้ภายในพริบตา ตอนนั้นคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธ์ต้องมีจริงคงจะมีเทวดาท่านได้รู้ว่าเรารักษาศีลหา้าและไม่ยอมทำผิดศีลท่านอาจจะช่วยให้ได้เปลี่ยนใจและแถมยังมาบอกให้รู้ในฝันก่อนที่จะได้เปลี่ยนใจจริงๆอีกด้วยเ้ื่อกำลังใจที่รู้ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมีเทวดาจริงขอช่วยเหลือผู้มีศีลหา้า ทำให้จิตใจของผมพึกเฉยตั้งใจรักษาศีลห้าทุกวันและตอนนั้นได้บอกกับตัวเองว่านี่ขนาดศีลห้ายังช่วยเราได้ถึงเพียงนี้หากเท่าเราได้ศึกษาพระธรรมและปฏิบัติธรรมเราคงจะได้สิ่งดีๆในชีวิตของเราอีกมากมาย